ถ้าไม่มีการสรารวจไม่มีการสมาทานบ่อยๆสีลเนี่ยจะสมบูรณ์ไม่ได้ปุถุชนนั้นจึงต้องมีการปฏิบัติอยู่บ่อยๆมีข้อแก้ไขอยู่เสมอๆเพื่อที่จะไปสู่ความบริบูรณ์แห่งสีลเหล่านี้ฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติในด้านของสีลถ้าหากว่าเรารักษาสีลจะเป็นสีลข้อใดข้อหนึ่งก็าตามเราได้ระลึกถึงศีลของเราเช่นนั้นเป็นอารมณ์ โดยที่ศีลนั้นไม่ขาดไม่ทะรุไม่ด่างไม่พร้อยจิตก็เกิดปีติปราโมทเมื่อเกิดปีติปราโมทก็เป็นไปเพื่อสมาธิเมื่อเป็นไปเพื่อสมาธิแล้วสมาธิก็เป็นเหตุให้เกิดปัญญาต่อไปนี่เป็นเป็นหลักปฏิบัติในศีลานุสติที่นี้มีศีลอีกข้อหนึ่ง เรียกว่าศีลที่เป็นไทยคำว่าไทยในที่เนี้หมายถึงความเป็นอิสระไม่ใช่ทาตไทยตรงกันข้ามกับคำว่าทาตผู้ที่รักษาศีลเพื่อความเป็นไทยแห่งศีลไม่ใช่เพื่อความเป็นทาตแห่งศีลนั้นอย่างไรที่รักษาศีลเพื่อความเป็นไทยแห่งศีล น, นั้นหรือเพื่อความเป็นไทยแห่งตนนั้นก็หมายถึงว่า ผู้ที่รักษาศีนนี้ไม่ตกเป็นธาตุของตันหาเพราะว่าศีล น, นี้ถ้าหากว่าไม่เป็นไทยแล้วบางทีก็ไปเป็นธาตุที่เป็นธาตุของตัญหานั่นนะ่ะอย่างไรอย่างเรารักษาศีลเนี่ยอนนี้สงของศีล น, นั่นท่านแสดงไว้มีอยู่ว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลย่อมเป็นปัจจัยให้ถึงซึ่งสุขติ สีเลนโพอคสัมปทาศีลเป็นปัจจัยให้ได้โพะสีเลนนิพุติงยันติสีลเป็นปัจจัยให้ถึงสันนิพานผู้ที่รักษาสีนนั้นท่านได้แสดงอานิสงส์ไว้ว่าจะเกิดชาติใดภูมิใดก็ตามถ้ายังมีรูปมีนามเช่นจะเกิดเป็นมนุษย์อีกก็จะเป็นคนมีรูปสวย เพราะอานิสง์ของการรักษาศีลเนี่ยผู้ที่มีศีลแล้วจะเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่มีรูปร่างสวยเกิดเป็นเทวดาก็มีรูปร่างสวยจะเป็นเทพประบุหรือเทพปิดาก็ตามนี่เป็นอานิสง์แห่งศีลทีนี้เมื่อเราเห็นว่าอานิสง์แห่งศีลเนี่ยเป็นเหตุทําให้ได้รูปที่สวยมาได้รูปประสมบัติมาเราก็อยากจะรักษาศีลบ้าง รักษาศีลแล้วก็หวังที่จะไปได้รูปสวยๆในชาติหน้าอย่างเนี้ยเรียกว่าศีลที่ตนเองรักษานั้นไม่ได้เป็นไทยแก่นตนเองแล้วแต่รักษาศีลเพื่อความเป็นธาตุธาตุในที่นี้ก็คือธาตุแห่งตันหาเพราะว่าเราอยากจะได้รูปสวยก็เป็นตันหาเราอยากจะได้โพคะสมบัติก็เป็นปัญหาเินผู้ที่รักษาศีลแล้วมีโพคะอย่างเนี้ยเราอยากจะได้เราจึงรักษาศีลขึ้นมา สินอันนี้เป็นสินธาตุไม่ใช่เป็นไทยแก่นตนเองสินที่เป็นไทยนั้นก็คือจะต้องไม่เกาะเกี่ยวในเรื่องราวต่างๆเหลา่านี้เรารักษาศินไม่ใช่เพื่อหวังผลเช่นนั้นแต่เรารักษาศินเพื่อความเป็นไทยแก่นตนเองความเป็นไทยนั้นก็คือไม่เป็นธาตุของปัญหาหรือความอยากเหลา่านี้นั่นแหละเราเรียกว่าเป็นไทยทีนี้ศินที่ เรารักษาอยู่นอกจากจะไม่เป็นทาตของตัณหาแล้วสิ่งนั้นจะต้องไม่เกลือกลัวด้วยอำนาจแห่งทิฏฐิอำนาจของทิฏฐิในที่นี้คือความเห็นผิดหรือความสาคัญตนผิดเพราะว่าบางท่านเมื่อรักษาสิ่แล้วก็เกิดทิฏฐิก็มีบางทีก็เกิดมานะถือตัวขึ้นมาก็มี สีนที่เกิดกล้วโดยทิฏฐิเนี่ยหมายถึงว่าเมื่อมีศีลแล้วก็เกิดความเห็นที่ผิดๆยึดมั่นในความเห็นผิดของตนบางทีก็เอาความเห็นผิดในตัวตนเนี่ยไปข่มขี่คนอื่นเขาว่าแม้คนคนนี้ใช่ไม่ได้เป็นคนไม่มีศีลบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้เอาศีลของเราเนี่ยไปเหยียดยามไปข่มคนอื่นอันนี้ก็ศีล น, นั้นก็ ไม่เป็นประโยชน์สิ น, นั่นเกลือกลั้วด้วยอํานาจแห่งทิฏฐิไม่เป็นไปเพื่อสมาธิสินที่จะเป็นไปเพื่อสมาธินี้คือสินที่ไม่ขาดไม่ทะรุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยไม่ใช่ธาตุของกิเลสและตัณหาอย่างเนี้ยจึงจะชื่อว่าเป็นสินที่บริสุทธิ์ไม่เกลือกลัวด้วยทิฏฐิคือความเห็นผิดต่างๆ การพิจารณาองค์ศีลต่างๆเหล่านี้เพื่อเป็นอารมณ์นั้นทุกคนจะต้องสมาทานศีลก่อนแล้วเราจึงจะนึกเอาศีลเป็นอารมณ์อย่างสมมติว่าวันพระเนี่ยเรามาวัดเราอาจจะสมาทานศีลห้าหรือศีลแปดหรือศีลสิบอย่างใดอย่างหนึ่งสมาทานแล้วเราก็รักษาไว้ เมื่อรักษาไว้ก็นึกถึงศีลที่เรารักษานั้นไว้นึกอยู่ตลอดเวลาว่าครบองค์ไหมแต่ที่นึกถึงอยู่อย่างเนี้ยไม่ใช่หมายความว่าพอสมาทานศีลแล้วก็จะต้องมานั่งคอยนับว่าครบหรือไม่ครบถ้าหากว่าเราไม่มีการปฏิบัติอีกศีลที่เราสมาทานอยู่ก็เป็นโคปาละกศีล ท่านบอกว่ารักษาศีลเหมือนกั บ, ค น, ค, ค, นบคนเลี้ยงควายหรือคนเลี้ยงบัวคนเลี้ยงควายหรือคนเลี้ยงวัวเนี่ยกมีหน้าที่คอยจะนับบัวว่าวันนี้บัวเข้าคลอกครบไหมออกจากคลอกไปห้าสิบตัวเนี่ยจะเดินกลับเข้าคลอกเนี่ยครบหรือไม่ครบคอยนั่งนับอยู่ที่ปากประตูคลอกถ้าหากว่าเรามัวแต่จะไปคอยนั่งนับโคที่จะเข้าคอกกันอยู่ทุกๆุกวัน โดยที่ไม่ได้ปฏิบัติอะไรให้พิเศษขึ้นมาแล้วศินนั้นก็เป็นโคปาลกะไม่เป็นประโยชน์ท่านบอกว่ารักษาสินเหมือนกับคนเลี้ยงโคศินอนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรการที่ให้เราสารวจถึงองค์ศินอยู่เสมอนี้สารวจในด้านของการปฏิบัติไม่ใช่คอยแต่นับว่าให้ครบก็แล้วกันว่าเราไม่ละเมิดองใดองหนึ่งที่เรารักษาอยู่เนี่ยเราคอยนับอยู่เสมอ แล้วคอยเราคอยระวังอยู่ว่าเราจะไม่ละเมิดในในองค์ใดองค์หนึ่งเช่นสินห้าเราสมาทานแล้วเราก็จะรักษาไว้สินแปดที่เราสมาทานแล้วเราก็จะรักษาไว้เราจะไม่ละเมิดในสินเหล่านี้ถ้าหากว่าเราอยู่ในฐานนะที่จะต้องคอยนับอย่างนี้อยู่เสมอแล้วโดยที่เราไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่เกิดประโยชน์เป็นโคปาลกะ ถ้าอุโบสถรักษาก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ที่จะเป็นสิ่งที่ประเสริฐนั้นเมื่อนับแล้วเราก็เอามาพิจารณาเพื่อให้เกิดปีติปราโมทย์ในด้านของการปฏิบัติเช่นอย่างในศีลานุสตินี้พอสมาทานแล้วท่านสอนให้เราไปทําสมาธินะจะไปทําที่ใดที่หนึ่งก็ตามเราไปนั่งขัดสมาธิจะโคนต้นไม้ในถ้ำเรือนร้างว่างเปล่าเนี่ย พอเรานั่งขัดสมาธิแล้วก็นึกถึงศีลเป็นอารมณ์เมื่อนึกถึงศีลเป็นอารมณ์เช่นนี้ศีลของเราบริสุทธิ์ปีติก็เกิดปีตินั้นเป็นเหตุให้เกิดความอิ่มใจเป็นเหตุให้เกิดความสุขเมื่อมีปีติแล้วก็มีความสุขเกิดความรู้สึกชุ่มชื่นขึ้นมีความสุขขึ้นเมื่อมีความสุขขึ้นแล้ว ความสุขนั้นก็เป็นเหตุให้เกิดสมาธิต่อไปทำให้เรามีจิตมั่นคงโดยมีศีลนั้นเป็นอารมณ์อยู่จิตนี้ก็ตั้งมั่นอยู่ในศีลเมื่อจิตนี้มั่นคงอยู่ไม่วันไหวไปอย่างอื่นสมาธิก็เกิดสมาธิเกิดได้ในลักษณะดังกล่าวนี้เพราะว่าศีลเนี่ยไม่มีรูปร่างเหมือนกับการเพ่งกสิน การเพ่งกสินยังมีรูปวงของกสินแต่ว่าศีลซึ่งซึ่งเราเป็นผู้รักษากันอยู่เนี่ยไม่มีรูปร่างอย่างนั้นก็ต้องเอาเอาจิตมาพิจารณาถึงการสมาทานของเราหรือความประพฤติของเราเนี่ยเป็นอารมณ์จึงจะเป็นเหตุให้เกิดสมาธิได้อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับศีลซึ่งเป็นปัใจจัยให้เกิดสมาธิอิท แม้แต่พระสงค์เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เจริญศีรานุสติจะไปเจริญหลักปฏิบัติในด้านอื่นๆแต่สีนี้ก็เป็นปัจจัยสําคัญเหมือนกันเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อการปฏิบัติกรรมฐานในด้านอื่นๆทั้งหมดจะไปเจริญวิปัสสนากําหนดนามรูปเป็นอารมณ์หรือจะไปเจริญสมถกรรมฐานด้วยการกําหนดอารมณ์ของสมถะอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์นี้ ถ้าบอกศีลก็เป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่ง <c oughs> เช่นอย่างถ้าหากว่าเราไปร่วงระเมิดสิกขาบทใดสิกขาบทหนึ่งเพ <c oughs> ียงแค่อบับดทุกกฎเล็กๆในน้อยแต่เราไม่ได้ปรองอบับดปล่อยทิ้งเอาไว้ยอย่างนั้น่ะไม่ไปปรงทำคืนมาสู่ความบริสุทธิ์อย่างนี้ถ้าเราจะไปปฏิบัติกรรมฐานสมาธิไม่เกิด เช่นอย่างถ้าเราจะไปอยู่ป่าอยู่ถ้ำพอนั่งหลับตาภาวนาจิตนี่ก็จะไปคล่องอยู่ว่าเราร่วงศิขาบทยังไม่ได้ไปปรงอบัตเลยยังไม่ได้สมาทานจิตจะไปคล่องอยู่กลายเป็นนิวรนขึ้นมาเมื่อเป็นนิวรนขึ้นมาแล้วสมาธิก็ไม่เกิดเนี่ยทำสมาธิก็ไม่ได้ผลฉะนั้นพระที่จะไปปฏิบัติเนี่ยท่านจึงให้สมาทานก่อนสมาทานศีลเสีเยก่อน บางทีก็ให้อยู่ปริวาสกรรมพร้อมกันไปนเลยเพื่อชำระศิขาบทน้อยใหญ่ต่างๆที่เคยร่วงมาจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีเพื่อไปสู่ความบริสุทธิ์แล้วจึงจะเอาศีลอันนั้นนะ่ให้เกิดปีติปราโมทย์เป็นเหตุให้เกิดสมาธิต่ตอไปเนี่ยจึงต้องมีการอยู่ปริวาสกรรมสมาทานปริวาสกรรมกันแล้วจึงจะรักษาศีล เพื่อให้ศีลเนี่ยบริสุทธิ์ขึ้นแล้วก็ไปสู่การปฏิบัติกรรมฐานด้านใดด้านหนึ่งนี่เป็นวิธีการที่ท่านได้วางไว้อันเนี้ยเป็นปัญหาทางจิตใจเพราะว่าสิ่งใดก็ตามถ้าหากว่าเราได้ทำไว้ดีแล้วก็ย่อมจะเกิดผลทางด้านจิตใจทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกเป็นสุข ปีติปราโมทในความดีที่กระทําท่านทั้งหลายที่รักษาศีล น, นึกถึงว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้มีศีลท่านก็จะเกิดรู้สึกปีติปลาโมทขึ้นเมื่อปีติเกิดความสุขก็ติดตามมาทําให้เรารู้สึกเป็นสุขว่าเราเนี่ยได้สมาทานศีลรักษาศีลซึ่งชีวิตของมนุษย์ที่ได้รักษาศีลอย่างนี้ก็เป็นชีวิตที่ประเสริฐแล้วมนุษย์อีกเป็นจํานวนมากที่ไม่มีโอกาสรักษาศีลก็ยังมีอยู่ การที่เราได้สมาทานศีลและก็นึกถึงศีลดังกล่าวนี้จึงเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เรานี้เกิดสมาธิจิตขึ้นมาได้นี่เป็นการเจริญสีลานุสติที่พระพุทธองค์ได้วางไว้อันเป็นอนุสติข้อที่สี่ซึ่งการปฏิบัติเช่นนี้ไม่ยากทุกท่านปฏิบัติได้และก็ดูมันจะทำได้ง่าย ส่วนอนุสติข้อที่ห้าคือจาคานุสติจาคานุสตินี้ก็คือให้นึกถึงจาคะหรือทานที่เราได้บริจาคไปเป็นอารมณ์เพื่อที่จะให้เกิดสมาธิจิตอีกการนึกถึงทานเนี่ยก็มีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเราจะต้องทำทานเสียก่อน คนที่ไม่เคยทำทานเลยจะมานึกถึงทานที่บริจาคได้อย่างไรเราก็ต้องเป็นผู้ที่บำเพ็ญทานก่อนบำเพ็ญจาระกอนจาคะนั้นคือการบริจาคหรือการเสียสละเช่นอย่างท่านทั้งหลายไปทาบุญอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามก็ต้องนึกถึงบุญที่เราทำอยู่เสมอว่าเราได้ทำบุญอะไรไปบ้างการนึกถึงบุญที่เราทำอย่างเนี้บ่อยๆก็เป็นการเจริญจาคะนุสติเหมือนกัน แล้วก็เป็นเหตุให้เกิดสมาธิจิตได้ไม่ว่าทำทั้งหลายจะบริจาคอะไรมากหรือน้อยเนี่ยไม่ใช่เป็นของสำคัญเพียงแค่เราใส่บาทเช้าหนึ่งเราใส่บาทพระองค์หนึ่งเราก็นึกถึงทานที่เราบริจาคคือการใส่บาทนั้นเป็นอารมณ์ได้หรือเราจะทำอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตาม แล้วเราก็นึกถึงสิ่งที่เรากระทํานั้นเป็นอารมณ์ก็เกิดปีติปราโมทได้ทําไมเราจึงต้องมีการจารึกชื่อทําไมจึงต้องมีการไปเยี่ยมเยียนดูสิ่งต่างๆที่เราสร้างสรรค์อยู่เสมอเช่นอย่างทีวิตทยาลัยเนี่ยอยู่ในระหว่างการก่อสร้างท่านทั้งหลายที่ไปเยี่ยมวิทยาลัยจะเห็นว่า เสาทุกต้นเนี่ยมีเจ้าภาพอยู่มีชื่อเจ้าภาพมีรูปเจ้าภาพบางคนไปถามว่าทําไมจึงต้องติดด้วยสมาก็บอกว่าที่ติดเนี่ยเพื่อเป็นอนุสรแก่ผู้สร้างเพื่อที่ผู้สร้างเนี่ยมาเห็นแล้วก็จะได้นึกว่าเออเราได้สร้างเสา ว, วิทยาลัยไว้ต้นหนึ่งหรือผู้ที่เป็นเจ้าภาพห้องเราก็หล่อรูปไว้เพื่อเจ้าของห้องไปดูแล้วจะได้ รู้สึกปีติปราโมทย์ติดตาหรือใครไปดูไปเห็นก็ตามก็จะรู้สึกปีติปราโมทย์ในการบริจาคของผู้นั้นเนี่ยจุดมุ่งหมายนั้นเพื่อที่จะให้ผู้บริจาคเนี่ยดังทางด้านจิตใจคือจาคานุสติอย่างน้อยก็ยังมีโอกาสนึกถึงทานที่ตนเองบริจาคจนกว่าจะตายจากโลกนี้ไปการที่เราทำอะไรแล้วเราไม่ได้นึกถึงสิ่งที่เราทานั้น ไม่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยเราต้องนึกถึงอยู่เสมอเรานึกถึงบุญกุศลร้อยครั้งก็เท่ากับเราเพิ่มพูนบุญให้เกิดขึ้นในใจเราเนี่ยร้อยครั้งถ้าเราไม่นึกถึงเลยก็เหมือนกับไม่ได้เพิ่มพูนบุญอะไรให้เกิดขึ้นในใจอย่างคนที่ทําบาปครั้งหนึ่งนึกถึงบาปร้อยครั้งคนคนนั้นก็เพิ่มพูนบาปขึ้นในใจพระพุทธองค์จึงตรัสว่าบาที่เราทํามาแล้วเนี่ย เมื่อเราสำนึกผิดแล้วว่าเราได้ทำสิ่งนั้นไม่ดีเลิกละการกระทำเช่นนั้นก็อย่าไปนึกถึงท่านให้ให้ลืมสิ่งนั้นไปเสียอย่าไปนึกถึงบาปบ่อยๆไม่ดีเพราะนึกถึงบาปแล้วใจก็เศร้าหมองท่านก็สอนให้ก็นึกถึงบุญหรือความดีที่ทำอยู่อย่างเดียวเท่านั้นสิ่งที่ไม่ดีไม่นึกถึงก็เป็นการเพิ่มพูนบุญให้เกิดขึ้นในตัวเราอยู่เป็นประจำ ในเพราะว่าอกุศลอันใดที่ไม่ดีเราคิดถึงอยู่เสมอแล้วก็จะสะสมเป็นกรรมมกิเลสนอนเนื่องอยู่ภายในจิตเช <ys> ่นจะขอยกตัวอย่างกรรมมกิเลตนึงที่ติดตามบุคคลไปทุกภพทุกชาติเนี่ยอย่างเช่นคนที่เกิดมาแล้วฆ่าตัวตายจะกระโดดน้ำตายจะยิงตัวตายกินยาตายอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตาม เพราะบุคคลผู้นี้เคยฆ่าตัวเองตายมาแล้วนับชาติไม่ถ้วนและก็จิตก็คิดอยู่เสมอพอเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็ฆ่าตัวตายเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็คิดจะฆ่าตัวตายอย่างเนี้มันก็สะสมสะสมอยู่ภายในจิตเรื่อยเพราะฉะนั้นเมื่อไปเกิดในภพใดภูมิใดก็ตามพอเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็คิดฆ่าตัวตายและสุดท้ายก็ต้องฆ่าตัวเองตายอย่างนี้นับภพบนับชาติไม่ถ้วน ที่ว่าคนฆ่าตัวตายแล้วจะต้องฆ่าตัวเองตายอีกห้าร้อยชาตินะอาจจะเกินห้าร้อยชาติอาจจะถึงห้าพันชาติก็ได้เพราะว่านึกถึงอยู่เสมอๆ ม, มันก็เป็นกรรมเมือกิเลยกรรมอันนี้มันก็จะผุดขึ้นอยู่บ่อยๆเป็นประจำนี่เป็นการเพิ่มพูนอกุิสุลธรรมขึ้นภายในจิตเป็นการสร้างบาปขึ้นภายในจิตของบุคคลผู้คิดอย่างนี้ฉะนั้นท่านจึงสอนให้เราเนี่ย นึกถึงแต่บุญแต่กุศลเป็นอารมณ์ท้านึกถึงบุญถึงกุศลเป็นอารมณ์เกิดชาติใดฉันใดก็คิดแต่จะทำบุญเหมือนอย่างพระเวสสันดรพอประสูตรออกจากพระคันของพระมารดาก็แบมือขอสตางค์และบอกจะไปบริจาคทานสมัยที่ยังทรงพระเยาว์อยู่ออมีอะไรบริจาคทานหมดพระสอก็ถอดออกให้เป็นทาน เนเพระ่าพระเวสสุนทร น, นั้นท่านอบรมทานบารมีมาไม่รู้ผีพบ ก, กี่ชาติคิดแต่จะทำทานตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพอเกิดมาชาติดาดชาติหนึ่งก็มุ่งแต่จะบริจาคทานคิดแต่จะทำทานอยู่เสมอเนี่ยเป็นเรื่องของการอบรมจิตไว้ฉะนั้นท่านทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าเด็กๆบางคนเนี่ยมีนิสัยตั้งแต่เล็กมีนิสัยอยากจะไปวัดชอบพระชอบเนน อยากจะบวชพระบวชเนรตั้งแต่เล็กๆเป็นต้นมาอย่างเนี้ยแสดงว่าเด็กคนเนี้เคยอบรมทางศาสนามามากจิตก็ผูกพันสังสมแต่เรื่องเนี้ยอยู่เสมอจึงมาได้ถ้าไม่เคยสังสมมาไม่ได้หรอกเหมือนท่านทั้งหลายเข้าวัดเนี่ยบางท่านอาจจะเข้าวัดตั้งแต่อายุยังยาวแสดงว่าท่านจะต้องได้รับการอบรมในเรื่องเนี้มาก่อนตั้งแต่ชาติก่อนถึงชาตินี้ ถ้าชาตินี้ก็หมายถึงว่าตอนเล็กๆอาจจะพ่อแม่พาไปเที่ยววัดบ่อยๆก็ทำให้เราเนี่ยฝักใฝ่ในทางธรรมออฝักใฝ่ทางวัดวาอารามต่างๆในการที่จะศึกษาในการที่จะปฏิบัติอย่างนี้แสดงว่าเราเนี่ยได้อบรมสั่งสมมาก่อนแล้วเราจึงทาจึงคิดที่จะเข้าวัดแล้วก็คนที่ไม่เคยสั่งสมนั้นต่อให้เราเอาช้างไปลากก็ไม่ยอมมาวัดมีเยอะแยะไป ไม่ยอมเข้าวัดอะมีแยะเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้อบรมมาดะนั้นเมื่อไม่เอาไม่ได้อบรมมาต่อให้เราช้าสักสิบเชือกไปลากมาก็ไม่มาเพราะว่านิสัยไม่เคยสั่งสมปุสุลกรรมอันนี้เอาไว้ในจิตดังนั้นจึงมาไม่ได้แล้วก็จะไปชวนบุคคลเหล่าเนี้ทําบุญเขาก็ไม่ยอมทําเพราะว่าไม่เห็นอานิสงส์ของการกระทําัะนั้นเรื่องการ สั่งสมด้วยการนึกคิดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเราทำอะไรไว้สักนิดหนึ่งเราก็ต้องนึกถึงบ่อยๆเช่นทานที่เราบริจาคไปแล้วเรานึกถึงทานที่เราบริจาคบ่อยๆไม่เสียหายอะไรนี่ใครจะบอกเราใครจะมาว่าเราบอกแม้ทำบุญแค่เนี้ยคิดถึงแต่บุญเลื่อยนะคุยเลื่อยนะว่าทำบุญไอ้นั่นทำบุญไอน้นี่ไม่เป็นไรหรอกคุยไวเ้เถอะ เราคุยเรื่อยเราทําอะไรเราก็คุยขอางเราเรื่อยว่าเราทําไอ้นั่นทําไอ้นี่ท่านทั้งหลายไปทําบุญที่วิทยาลัยสักหาบาทก็คุยอยู่เสมอกันแล้วกันว่าท่านได้สร้างวิทายาลัยห้าบาทนึกถึงอยู่เสมอทุกๆวันไม่เสียหายอะไรยิ่งนึกเท่าไหร่ยิ่งได้กาไรมากขึ้นเพราะว่าเราทําบุญไว้แล้วอิดสักก้อนหนึ่งทรายสักมเมล็ดหนึ่งนั่นคือการกระทําบุญทําความดีที่เราได้สร้างสรรค์งานศาสนาขึ้น นึกถึงไว้เป็นอารมณ์ใครเขาจะว่าอย่างไงใครเขาจ ะ, ะกระทบกระเทียบเสียดสีอย่างไรก็ตามเราก็อย่าหวั่นไหวว่าเป็นการกระทาที่ถูกแล้วใครเขาจะว่าอย่างไรก็ช่างเพราะมีคนเขาว่าบอกแม้วิทยาลัยนี่ต้องติดรูปเลยนะโก้จังเลยใครอยากดังก็มาติดรูปที่นี่ <c oughs> อาตมาฟังแล้วก็นึกขำในใจว่าเขาไม่เข้าใจ แต่เขาเข้าใจในหลักปฏิบัติสักนิดหนึ่งเขาก็คงจะไม่คิดอย่างนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาไม่เข้าใจเราทำอะไรก็ตามจึงต้องนึกถึงเป็นอนุสร์อยู่บ่อยๆต้องไปเยี่ยมด้วยมีโยมหลายคนทําบุญตั้งแต่ต้นมาบอกไม่เคยไปดูวิทยาลัยเลยตมาบอกเองไม่ดีถ้าไปดูล่ะดีกว่าหรือไปทําที่นูน่นยิ่งได้อานิสงส์มากกว่าเพราะว่าได้ไปเห็น การได้เห็นเนี่ยก็จะได้ภาพประทับใจภาพที่ประทับใจอันนี้แหละที่จะช่วยได้ทุกการสมัยที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยใกล้จะตายเราก็นึกถึงภาพาเหล่านี้ที่เราเคยสร้างเคยทำก็จะเกิดปีติปลาโมดมันเป็นสมบัติของเราทาั้งนั้นนี่แล้วก็เป็นน้ำพักน้าแรงที่เราทำกันทั้งนั้นน่ะนึกได้เต็มที่เลยที่วิทยาลัยเนี่ย ตมาพูดอยู่เสมอโยมที่ไปจะเป็นใครก็ตามทำมากทำน้อยตอตมาถือว่างานของวิทยาลัยนี้วิทยาลัยกิตตภาวันนี้เป็นของประชาชนเป็นของอุบาสกอุบาสิกาสร้างไว้ฉะนั้นใครๆมาก็เหมือนกับเป็นเจ้าของบอกนึกเลยนึกให้เต็มเลยเนี่ยที่เห็นเนี่ยเป็นของโยมทั้งนั้นน่ะโยมสร้างกันแล้วกัน5้าบาทเนี่ยตึกหลังบัเลอห้าบาท เราทำให้ถ้าไม่ได้ห้าบาทนั้นอิฐมันอาจจะหายไปตั้งหลายก้อนก็ได้เมื่ออิฐหายไปหลายก้อนมันจะเป็นรูปเป็นล่างที่ดีขึ้นมาได้อย่างไรมันก็เป็นวิทยาลัยที่สมบูรณ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นจะมากจะน้อยเนี่ยถือว่าไม่สำคัญแต่ขอให้เรานึกร่วมกันว่าอันเนี้เป็นของเราเราอาจจะนึกคนเดียวว่าจิตตภาวานนี่เราสร้างนึกไปเถอะว่าท่านสร้างแล้วเราก็จะเกิดปีติปราโมทย์ก็เราสร้างจริงๆ จะมากน้อยไม่สำคัญแต่เ ร, เราเป็นผู้สร้างให้นึกถึงเอาไว้แม้จะตายก็ให้เรานึกถึงตึกหลังโตๆเห็นพระเห็นเนรรับรองไม่ตกนรกแม่เห็นพระเนนมากๆเนี่ยอันนี้คือตัวจาขานุสติท่านจะทำมากทำน้อยไม่สำคัญแต่สำคัญอยู่ตรงที่ว่าเราจะต้องเห็นต้องดูให้ติดตาติดใจไว้เวลาเราจะนอน เราก็นึกถึงจะนอนก็นึกถึงวิทยาลัยจะตื่นขึ้นมาก็นึกถึงวิทยาลัยก็แล้วกันนั่นเป็นการเพิ่มภูมบุญของท่านจะทํำมากทาน้อยนั้นไม่สําคัญแต่สําคัญอยู่ตรงที่ว่าให้นึกถึงการกระทําของเราเนี่ยบ่อยๆทําไมพระพุทธองค์จึงได้วางหลักปฏิบัติในจาขานุสตินี้ไว้ก็เพราะว่าการนึกถึงการเสียสละบ่อยๆนั้นเป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้จิตนี้เกิดปีติปราโมทย์ขึ้น เราทำอะไรไปสักอย่างน่งเนี่ยแม้เราภาคภูมิใจเหลือเกินแม้ว่าการกระทำอันนั้นจะเล็กๆ น, น้อยๆก็ตามในยังในสมัยที่เราเป็นเด็กกระทำอะไรสักนิดหนึ่งเรารู้สึกแม้มันเป็นสุขที่เป็นประโยชน์รู้สึกว่าเราเนี่ยได้ทำว่าเราได้ทำสิ่งเนี้แม้นิดเดียวก็รู้สึกว่าเป็นสุขเหลือเกินอันนี้แหละที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิจิตได้ถ้าหากว่าเรานึกแล้ว แล้วก็เกิดปีติปราโมทขึ้นมาเราก็จะรู้สึกอิ่มเอิบในบุญที่เรากระทำทนี้ทานที่จะปีติปราโมทได้นั้นต้องเป็นทานที่บริสุทธิ์ด้วยทานที่บริสุทธิ์ในดังกล่าวเนี่ยก็คือทานที่ถึงพร้อมด้วยเจตนาในขณะที่เรากระทำเนี่ยครบบริบูรณ์ทั้งสามการเมื่อทําสําเร็จไปแล้ว เรานึกถึงทานเช่นนั้นครั้งใดจิตใจก็เกิดปีติปราโมทเนี่ยเป็นอปปราประเจตนาจะต้องบริสุทธิ์ด้วยมีหลายๆท่านเหมือนกันทาําทานแล้วไม่เกิดปีติปราโมทคืออัปปราประเจตนาเนี่ยไม่เกิดเมื่อไม่เกิดแล้วก็ทําให้ไม่อิ่มเอิบใจในทานที่ตนเองกระทา ผลสุดท้ายก็ไม่อิ่มใจก็ไม่ได้กุศลอะไรบางทีนึกไปแล้วเสียดายบางทีนึกไปแล้วก็ขัดเคืองบางทีก็ไปขัดเคืองสมภารบ้างทําไม่ถูกใจอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างๆผลสุดท้ายบุญที่ควรจะได้ก็เลยกลายเป็นปฏิฆะขึ้นภายในจิตนึกถึงแล้วก็จิตใจไม่ผองใส เราทำกุศลนึกถึงแล้วต้องผ่องใสนึกถึงกุศลครั้งใดจิตใจต้องผ่องใสครั้งนั้นถ้าหากว่าเรามีการทำทานแล้วก็นึกถึงอย่างนี้อยู่บ่อยๆแล้วก็นั่นะจะเป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิจิตได้จาการุสตินี้โดยเฉพาะลักษณะของจาคะคือการเสียสละนี้มีมากเพราะว่า การเสียสละอามิรต่างๆออกไปก็เป็นจาคะเช่นที่ท่านทั้งหลายบริจาคจตุปัจจัยทรัพย์สินเงินทองเสื้อผ้ายารักษาโรคตลอดจนสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็าตามที่เป็นวัสดุต่างๆเนี่ยที่เป็นอามิธต่างๆอย่างนี้ก็เรียกว่าจาระเป็นการเสียสละอามิรต่างๆออกไปบางท่าน อาจจะอุทิตดวงตาให้เป็นทานไปแล้วอุทิศร่างกายอุทิศโครงกระดูกอุทิศเลือดต่างๆออกไปเป็นทานแล้วเราก็นึกถึงการเสียสละอันนี้เพราะว่าเป็นการสละอวัยวะออกไปเป็นทานให้นึกถึงอยู่เสมอว่าเราได้สละอวัยวะเนี่ยออกไปเป็นทานแล้วเราก็จะเกิดปีติปราโมทสูงขึ้นถ้าเราสละ อารมณ์ที่มีดีเช่นสละความชั่วร้ายในใจออกไปก็ยิ่งเป็นความเสียสละที่สูงสุดถึงขั้นสละกิเลสให้หมดได้ก็เป็นการเสียสละที่สูงสุดเป็นจาคะขั้นสูงต่อไปจาคะะนี้ที่จะเป็นอารมณ์ได้ง่ายก็คือการบริจาคอวัยวะบริจาควัตถุสิ่งของเหล่านี้ออกไปเป็นทาน เรานึกถึงอยู่เป็นอารมณ์แล้วก็จะเป็นเหตุให้เกิดปีติปราโมทย์ได้จะบางท่านอาจจะบริจาคเลือดไปแล้วส่วนดวงตานนัจะต้องคอยเมื่อตอนตายก็ขอให้เรานึกถึงว่าเราสละแล้วก็แล้วกันเพียงแต่ว่าเขายังฝากเอาไว้อยู่ยังไม่ได้มาเอาไปจะมาเอาไปก็ตอนที่เราไม่ใช้แล้วเขาก็จะเอาไปแต่เราก็ต้องถือว่าตาที่เราบริจาคไปทั้งสองดวงนี่ไม่ใช่ของเราแล้ว ถ้าเรานึกถึงอยู่เสมอว่าไม่ใช่ของเราและเราบริจาคให้ให้สภากาชาติแล้วเรานึกถึงอย่างนี้ก็เป็นอารมณ์ของจากะได้เป็นแต่เพียงว่าเราขออาศัยชั่วชีวิตหนึ่งเท่านั้นน่ะพอตายแล้วเขาก็มาเอาไปให้คนอื่นใช้ต่อเรานึกถึงอย่างนี้ก็เกิดปิติปราโมทย์ได้สิ่งใดที่อุทิศแล้วเนี่ยเรานึกถึงอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งจะเป็นอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งก็ให้คิดถึงอยู่อาตมาได้รับบริจาคโครงกระดูกโยมไว้หลายคนแล้วทําพินัยกรรพินัยกรรมไม่ให้เสร็จเรียบร้อยเลยบอกว่าขอมอบศพใหโรงพยาบาลขอมอบโครงกระดูกให้วิทยาลัยอาตมาก็ารับเพราะว่าโครงกระดูกนั้นจะได้ไปปรุงกรรมาฐาน สำหรับให้พระเนรท่านได้ศึกษาด้วยเป็นประโยชน์นึกถึงอยู่เสมอถ้าหากว่าเราบริจาคแล้วแล้วก็หลายท่านก็ไปบริจาคดวงตากันแล้วก็ให้นึกถึงอยู่เสมอแหละ ว, ว่าอันเนี้ยเราให้เป็นทานไปแล้วอย่าคิดว่ายังเป็นของเราอยู่ไม่ใช่ของเราแล้วละ่ะเราให้เป็นทานแล้วเป็นแต่เพียง ว, ว่าเวลาเนี้ยเราเพอ ย, ยืมใช้เท่านั้นเองเพราะเราได้ให้ไปแล้วละ่ะต่อเมื่อใดเราไม่ใช้แล้วนั่นแหละเขาก็าไปใช้อย่างเต็มที่ าเรานึกถึงอย่างนี้ก็จะเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปีติปราโมทขึ้นตัวปีติเนี่ยสำคัญที่นึกถึงเนี่ยมีจุด